นิทานไทย2 ส, สหายกับหมีการละครั้งหนึ่งมีเพื่อนสนิทสองคนรอนและจอรนพวกเขาตัดสินใจเดินทางรอบโลกด้วยกันวันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจไปเดินป่าป่ามืดและทึบนักพวกเขารู้ดีว่าอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ พวกเขาสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันไม่ว่าเกิดอันตรายใดๆทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงคำรามดังขึ้นพวกเขาเห็นมีตัวโตวเดินเข้ามาหาพวกเขาพวกเขากลัวมาก รอนวิ่งหนีทันทีและปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆทิ้งจอร์นไว้คนเดียวจอร์นปีนต้นไม้ไม่เป็นจึงถามรอนช่วยฉันปีนขึ้นต้นไม้เถียไม่งั้นมีกินฉันแม่ช่วยฉันด้วยสิ <c oughs> ช่วยหน่อยเออฉันลงไปไม่ได้อะมีกาลังจะมา <c oughs> ข้างบนนี้ก็ไม่มี <c oughs> ที่พอไปหาที่ซ่อนเองสิ รปฏิเสธที่จะช่วยเหลือจอรนแต่จอรนเป็นคนฉลาดเขาจําได้ว่าครูสอนว่ามีไม่กินของที่ตายแล้วด้วยไหวพลิบดีจอรนนอนลงกับพื้นแล้วกลั้นหายใจแกล้งตายมีเข้ามาใกล้จอรนมันดมหูของเา้าแล้วก็เดินจากไปเพราะว่ามีไม่กินของที่ตายแล้ว หลังจากที่มีไปแล้วร่อนลงจากต้นไม้แล้วถามจอรมีกระซิบบอกอะไรกับนายเหรอมีบอกว่าอย่ากบเพื่อนจอมปลอมที่ทิ้งเราเวลาที่ตกทุกได้ยาะโอ้